โนนัตติและโนวิกตาทุกไนัย2ี่เหตุปัจจัยกับโนนัตติปัจจัยและโนวิกตาปัจจัยมีหวาระอธิปติปัจจัยกับโนนัตติปัจจัยและโนวิกตาปัจจัยมีหวาระสหชาตปัจจัยกับโนนัตติปัจจัยและโนวิกตาปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญาปัจจัยกับโนนัตติปัจจัยและโนวิกตาปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิสยปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกขตปัจจ um ัยมี5วาระกรรมปัจจัยก um um ับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกขตปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกขตปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกขตปัจจัยมี5วาระอินทรียปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกขตปัจจัยมีหวาระ ชานปัจจัยกับโนนัิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมี5วาระมคปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมี5วาระวิปยุตตปัจจัยกับโนนัติปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับโนนัิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมี5วาระ อว <im sharing> ิคตตปัจจัยกับโนนัตติปัจจัยและโนวิคตาตปัจจัยมี5วาระติกนสย 299. สิสหชาตัปัจจัยกับโนวิคตตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับโนวิคตตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหวาระนิตย์ตปัจจัยกับโนวิคตตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมี1วาระ กรมมปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุตุปปัดใจมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุตุปปัดใจมีหนึ่งวาระอาหารลปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุตุปปัดใจมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุตุปปัดใจมีหนึ่งวาระ วิปปยุตตะปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอัทธกนัย2ามส สหชาตปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามนะปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมานันตรับปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอิตอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเตระศกนัยสองร้สหชาตปัจจัย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 กับโนวิกตปัจจัยนะัเหตุปัจจัยละนะักรรมปัจจัยนะวิปากปัจจัยและนะัอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเอกวีสกนัยสองสหชาตปัจจัยกับโนวิกตปัจจัย นัเหตุปัจจัยละนักรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรีย์ปัจจัยนะชาละปัจจัยนะมรคปัจจัยนะสัมปยุตตาปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยและโนนัตติปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตย์ยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ปัจจ尼านุโลมจบปฏิจจวาลจบ